162เนื้อความมหานิทานสูตรทั้งสูตรในพระไตรปิฎกดก66บกดูการะอาโนนวิโมก8ประการเหล่านี้8ประการเป็นฉไนคือหนึ่งผู้ได้รูปฌานย่อมเห็นรูปนี้เป็นวิโมกข้อที่หนึ่งสองผู้ไม่มีความสำคัญในรูปในภายใน ย่อมเห็นรูปในภายนอกนี้เป็นวิโมกข้อที่สองสผู้ที่น้อมใจเชื่อว่ากสินเป็นของงามนี้เป็นวิโมกข้อที่ส 4. ผู้บรรลุอากาสานันจายจตนะด้วยมณะสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่ส 5. ผู้ที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยมานาสีการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงขั้นอากาสานัญนจายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกที่ห้า 6ผู้ที่บรรลุอากินจัญญาเจตนะด้วยมณะสิการว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงวิญญาณญจารยตนะโดยปราการทั้งปวงนี้เป็นวิมโมกข้อที่6 7. ผู้ที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายจตนะเพราะล่วงอากินจัญญาเจตนะโดยปราการทั้งปวงนี้เป็นวิมโมกข้อที่7 แผู้ที่บรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข้อที่8ดูกระอาอนนลเหล่านี้แลวิโมกแปดประการภิสูขเข้าวิโมกแปดประการเหล่านี้เป็นอนุโลมบ้างเป็นปฏิโลมบ้างเข้าทั้งอนุโลมและปฏิโลมบ้าง เข้าบ้างออกบ้างตามคราวที่ต้องการตามสิ่งที่ปรารถนาและตามกาหนดที่ต้องประสงค์เจิงบรรลุเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปเพราะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอานนทภิกษุนี้เราเรียกว่าอุพโตภาควิมุต อุพโตภาควิมุติอื่นจากอุพโตภาควิมุตินี้ที่จะยี่ยงหรือประนีตไปกว่าไม่มีพระผู้มีพระภาคสรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระอานนท์ยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบมหานิสารสูตรที่สองหมายเหตุมหานิทานสูตรนี้ ต้นฉบับพระไตรปิโดเขียนปฏิจจสมุปบาทในที่นี้เขียนว่าปฏิจจสมุปบาท